พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตกสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26สหธันวาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าความบิดชาพาให้ตกตำ่ำเมืเอ่อเช้าหลวงพ่อถามว่า เมื่อวานกับเมื่อนี่เมือ่อได้หนาวกว่ากันตอไปคนละที่ต่ตอบไปคนละทางต่างใจอยู่ไต่ฟ้าขึ้นกันน่าจะตอบแบบเดียวกันามาเมื่อนี่ยหนาวกว่าเมือ่อวานครับอันนี้โอ้สูงเมื่อวานวันไหนอุ่นขึ้นและล่ะพวกเนี่ยโอ้เมื่อนี่ยหนาวกว่าลงพอทัอ้งที่อยู่ไต่ฝ้าขึ้นกันหนาวห่อนขึ้นกันเืน่องของพูดถึงใส่เสื้อบางคพูดถึงใส่เสื้อหนาบ่ายังไง ก็ได้ต่อบปกคือกันมาว่านาณาจิตตังนาณาทัศนะความเห็นโมตรงกันโมลงกันมันมีอยู่ในโลกนี่แหละโลกมนุษย์ของเฮ้าเนี่ยมีความเห็นผู้นึงเห็นอีกนึงผูนึงเห็นอีกนึงตางคนกับตางว่าตัวเองเห็นถูกผู้อื่นเห็นพิษนะ ก็ตรงกงนขามคันพได้พเห็นนําเจ้าของกัพลันเถินพิษคันพได้เห็นกับเจ้าของพกพลันเถินถูกอ่าโดยมากเป็นยังสันณโลกอะไรนั่นพวกเฮ้าทุกคนเนอเกิดมาในโลกนีทยต้องท่ำใจอย่าไปท่ำใจผู้อื่นท่ำใจเจ้าของคันโพได้ท่ำใจเจ้าของได้เลยอยู่ใส่เป็นสุกมัดนั่นะพราเหตุใดพอเหตุ ว่าเนี่ยโล ก, ก, ก, ก, ก, นะ ก, กมันเป็นยุ่งซี่อตั้งแต่เฮาพอท่านเกิดเป้าคนน่ะเฮาพอเกิดไม่หยังโลกมันเป็นยุ่งซี่อยู่เอ่อมันเกิดชาตินาก็ดจะเป็นยังซื่อเอออันนี้ยังใข่อยู่เด้ยังใข่อย่างไรตีวะหลวงพ่อว่าสมัยเวียงจันบอกสมัยกรุงศรีอยุธยา่เออสมัยพมา่า ขี้สร้างขี่มาเด็กกรทั่งห อ, อกทั่งดาบยกใส่กันมนันออกไปสาวปราบสาบปราบล้วโอ้หนากลัวขนาดใดนขนาดปืนหนึ่งยังประทัญญาญ ป, ป, ประเลดแล้วบพท่านเห็นที่ไปที่มาลงไปอยกห อ, อกยกดาบมันเลือดมากมีมากปีบใส่กันฟันช่ยชายช้าชยชันโอ้ เ, ออเบิ่งห น, นากลัวมากมากแต่ว่าพอเข้าไปเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นที่ขนาดไหน แต่เกิดในยุคนี้สมัยนี้มแต่ล่มปากว่าทะวากันในื้่เขาก็ยัง เ, เป็นทุกข์พ่อแห้งวันนี้เป็นวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2556นับจากวันนี้ไปเป็นถึงวันที่5ม ก, กราคม57 ก็9วันใกล้เข้ามาล้นะพวกเราลูกหลานทุกคนแต่หลวงพ่อมองดูแล้วงานของพวกเราเนี่ยถ้าไม่นับนกขัดชะดีลิงที่จะเอาเข้ามาใหม่หลวงพ่อมองดูแล้วงานของเราเนี่ยแปเนต์นะงานของเราใกล้เข้ามา80เซแล้วความสมบูรณ์ของงานหลวงพ่อไปเดินเดินดูทีไรหลวงพ่อกับปลื้มปีติกับ ปีติกับพระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งทั้งหลายให้ความสนใจให้ความใส่ใจทํางานด้วยความพร้อมเพียงสามคัคคีด้วยความขมักกะเม่นจากนั้นก็มองดูพี่น้องศรัทธาญาติโยมจากญากตุรเทศจากหมู่บ้านต่างๆที่เข้ามาในงานของหลวงปู่ก็เป็นผู้มีน้ําใจเป็นผู้มีเจตนาเป็นผู้มี ต้องการบุญกุศลจริงๆที่หลวงพ่อมองมองโดนเดินดูแล้วก็ไปเดินดูทางโรงครัวครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นครัวปานะของพระน้ำปานะของพระสมุนไพรที่นำถวายพระสงฆ์ที่มาทำงานไปเห็นแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจทาด้วยความขมักขมัน พวกเลี้ยงอาหารของพี่น้องประชาชนอีกเหมือนกันหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็พอใจในความในน้ําใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าผู้ที่เข้ามาจูวัดตอนเที่ยงก็ต้องหิวอาหารพวกเราก็จะต้องช่วยกันเลี้ยงอาหารสรุปแล้วก็คือกองทัพต้องไปด้วยท้อง ตอนนั้นถ้าหาว่าหิวแค่อย่างเดียวท่านนั่ น, นงานทุกอย่างก็ขาดสปั้นลงไปไม่เดินไม่ได้อันนี้ก็ทั้งทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าที่เข้ามาร่วม ง, งานหลวงพ่อเห็นแล้วก็เป็นที่พอใจในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ถึงพวกเราท่านทั้งหลายจะยกว่าหลวงพ่ออินเป็นประธานหรือไม่ประธานแต่หลวงพ่อก็เป็นผู้มีอายุพรรษา มากกว่าพวกพระน้องๆลุงๆทั้งหลายในฐานะที่หลวงพ่อเป็นผู้มีอายุพรรษาหลวงพ่อได้มองดูงานก็ได้เคยผ่านงานมามากต่อมากหลวงพ่ อ, อมั่นใจว่างานของหลงปู่ของเราเนี่ยแปเอร์ซตในขณะนี้แล้วะงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นไม่มีอุปสรรคในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเดินงานกับ เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนะาราพรื่นแต่ทั้งยังไงก็ตามงานทุกงานก็ต้องมีอุปสรรคอุปสรรคคานี้นะไม่ว่าอุปสรรคของชีวิตคนเราเกิดมาไม่ช่วงใดก็ต้องช่วงหนึ่งต้องมีอุปสรรคสะดุดใจจําไม่ลืมในชีวิตของพวกเราอันนี้ก็เหมือนกันงานทุกงานก็ต้องมีการสะดุดบ้าง เอแต่ถึงยังไงก็จะให้คนอื่นทําใจก็ไม่ใช่ก็ต้องทําใจกับพวกเราพวกเราต้องทําใจอีกเหมือนกันพ่อโลกอันนี้มันโลกอันนี้จังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานนี้หลวงพ่อพูดไปนะโลกอันนี้จังโลกนี้เป็นอยู่ด้วยโลกกระทำแปดมีนินทาสนเสริญมีรากเสื่อมรากมียศเสื่อมยศนินทาสนเสริญสุขทุกข์ ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่าจินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ากินร้ายในส่วนส่วนที่ไม่พึงปรารถนาคือไม่ให้ดีใจและไม่ให้เสียใจทําใจให้เป็นกลางๆอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นในโลกนี้ถ้าทําได้อย่างนั้นอยู่ณนะสถานที่ใดสบายสบายใจทุกอย่างพอโลกอนี้มันมันเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้จะไม่ให้คนอื่นดูถูกเกียรติยำรังเกียดเดียดสัน ทำงานหักเล่หักเหลี่ยมกันเราจะไปอยู่ในโลกไหนขนาดอยู่สั้นสวรรค์ก็ยังมีนะมีแต่เข้าสู่นิพพานเท่านั้นล่น ะ, ละไม่มีแต่อยู่ในโลกอย่าสงสัยเลยสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นแต่ให้พวกเราสังเกตดูนะพระนะะั่นล่ะจะเป็นคู่อิจฉาพระพระจะอิจฉาพระเออ โยมทั้งหลายจะบอกร้านทองอิดชาร้านทองร้านอาหารก็อิดชาร้านอาหารร้านขายของเสือผ้าก็อิดชาร้านขายของเสือผ้าหมาก็อิดชาหมาวัวก็อิดชาวัวควายก็อิดช้าควายช้างก็อิดช้าช้างห้พวกเราสังเกตถ้าหมาไปเห็นหมูไปเห็นวัวเห็นควายหมาก็เฉยนะ แต่พ่อหมาเห็นหมาท่านนะหญิงเขี้ยวจ้ะนาย ห, หญิงเขี้ยวใส่กั น, นะพวกเราสังเกตไหมควายก็เหมือนกันถ้าควายกินหญ้า ก, กับวัวควายก็เชยกินด้วยกันได้แต่พ่อเห็นควายเข้ามาเท่านั่นแหละตะแคงเขาตะแคงหัวใส่เดินนั่ น, นแหละคล้ายๆวัดไม่ฆ่ากระแก่ไม่แก่กับะ่านะคล้ายว่าจะเอากันล่ะวัวก็เหมือนกันถ้าวัวกินหญ้า ก, กับควายกับเชย ถ้าเห็นวัวตัวอื่นเข้ามาเน่ยผิดพิษผิ ด, ผดทางผิดผูกเนี่อทางร้องทางขูดแผน่นดินใส่แล้วเนี่อทําท่าจะขิดกันแล้วละนี่แหละอันนี้ก็คือความอิจฉาความอิจฉามีอยู่กับทุกวงการไม่ว่าข้าราชการระดับไหนตำรวจก็อิจฉาตำรวจทหาราากา็อิจฉาทหารปี่ภาคสาอายการขนาดเป็นพระก็ยังอิจฉาพระนะ ความอิจฉาตัวนี้ล่ะเป็นหนทางแห่งความจิบหายเป็นหนทางแห่งความทบกขเข้ามาสู่ชุมชนในกลุ่มของเราแต่ถ้าหากว่าพวกเราตัดความอิจฉาออกไปได้พวกเราอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นจุขที่พระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตที่เป็นเรื่องราวขึ้นมากับความอิจฉานั่นเองพวกเราท่านทั้งหลายตธาญาติโยมคงอยากจะรู้ว่า ต้นเหตุแห่งการอิจฉาพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตในอดีตชาตินั้นเป็นมาอย่างไรก็คือสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันแต่มีอาชีพเดียวกันคือขายทองไม่ใช่ขายทองคำนะขายของพวกสร้อยแหวนเงินทองของแก่นั่นแนะแต่ก็ไม่ใช่ของแกหรอกคือเป็นสายสร้อยเป็นสร้อยทองเหลืองทองแดงสร้อยเงิน เอาไปขายคืออาชีพเดียวกันแต่คราวหนึ่งคืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถ้าจะยกเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันอยู่ที่มุกดาหารอย่างนี้แหะไปที่มุกดาหารแต่นี่ยก็เลยไปขายของสวรรค์เกเขสเป็นเพื่อนกันคือทั้งแหวนทั้งสายสร้อยที่เป็นทองเหลืองทองแดงนั่นใส่ในกระเป้ไป พอก็นั่งเรือไปด้วยกันเหมาเรือจ้างเรือไปข้ามโค้งพอไปถึงสวรรค์นเขตคนหนึ่งก็ไปทางเหนือคนหนึ่งก็ไปทางใต้เป็นเพื่อนกันไอ้ยแต่แกไปทางเหนือไปผมจะไปทางใต้ก็เลยไปคนละทางกันแต่นี้พระพุทธเจ้าไปทางใต้พระเทวทัตไปทางเหนือแต่นี้ก็พระเทวทัตเดินไปไปเจอบ้านเศรษฐีเก่าบ้านเศรษฐีเก่าแก่ บ้านเศรษฐีเก่าแก่นี่ก็ตกจนเบ้านตกทุกข์ได้ยากคือสมัยก่อนพ่อแม่เขาก็ร่ํารวยแบ่งมอลโกรกันแล้วก็ทํามาค้าขายผลนิสุก็เลยตกจนแต่ว่ามอลกรกของเศรษฐีเก่าแก่นี่มันมีถาดมันมีถาดทองคําใบหนึ่งายายแก่น้่ก็เก็บไว้อย่างดีแต่ไม่รู้ว่าถาดไปนี่คืออะไรพราะมันเข้าย่างปีมันดําปีแล้วงั้นแอ่ ยายนี่ก็เก็บไว้แต่นี้พอพ่อค้าทองเข้าไปพ่อค้าทองที่เป็นเทวทัศน์นี่นะขึ้นไปทางภาคเหนือทางเหนือนะ่ะไปเขากอดยายลูกหลานก็วิ่งมาเลยแหม่ามางโอ้ยอยากได้สายสร้อยอยากได้แหวนอยากได้เครื่องประดับยายนี่ก็บอกว่าเท่าในห้อยไอ้นี่ขันมีทองอยู่มีถาดทองอยู่ถาดนึงแหมแล้วก็อยากจะเปลี่ยน อยากจะเปลี่ยนเป็นพวกสายส้อยของให้ลูกให้หลานเนี่ยที่ลูกหลานของในชั้นเนี่ยของฉันนี่มีมากจะเปลี่ยนได้ไหมจะคิดค่าเท่าไรอพอค้าทองคนนั้นก็เป็นพวกค้าขี้โกงเหมือนกันอ่ะเทวทธาตนึ่งไ ป, ปขึ้นทางเหนือเนี่ยเป็นผอค้าโกงเขาก็ยกมาจับทองแผ่นพาชนะทองขึ้นมา เออหากึกเล่าเงินยกขึ้นมานักหนักเลยตึกโอ้อันนี้ทองทองคําแน่แน่เทเนก็เอาเข็มออกมาจากกระเป๋าตัวเองเข็มก็มาขีดตดูมาขกกีดทองคํำมันกันอ่อนใช่ไหมขีดแล้วก็ตุ้ยนีกเลยโอ้กรีดเข้าโอ้ทองคําแน่ฮโอ้หลายเงินนะเนี่ยฮแต่เทเน่นก็บอกว่าเนียไม่มีราคาหรอกเออถ้าจะแลกเรได้เพียงเส้นสองเส้นเท่านั้นลูกหลานของ ยายเนี่ยเป็นสิบน่ะจะแลกแลดได้ยังไงไมาได้แร้วราคาแผ่นนี้ก็ราคาเพียงได้ทองเพียงเส้นสองสามเส้นเท่านั้นแหะทางยายเขอกโอ้ทับได้เส้นสองสามเส้นมันก็ไม่ครบลูกหลานเพราะรุกหลานของข้าเป็นสิบเนี่ยคงจะไม่แลกครับเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าได้ครบลูกหลานก็จะเอาไปเลยทองถาดใบนี้ไม่ได้ไม่ได้ราคามันไม่ไม่คุ้มค่า สายส้อยพอเสร็จแล้วก็เอา้าทั้งนั้นก็ก็ไม่เอาแล้วนะไปก็เลยในพอขาทองเลยเก็บทองตัวเองเข้ากระเป๋าแล้วก็เดิน เ, เล่ขายแปแต่ในใจนั้นห ม, มุบห ม, มับห ม, มุบมมุบอ่เออข้าต้องกลับมาเอาทองถ้าข้าจะเปลี่ยนใหม่เกินไปแล้วก็เสียเปรียบเขาแต่ถึงยังไรยังไงทองถาดไปนี่นะี่ยมันเป็นหลายเงินทีเดียว อ, อยู่ใน ทองของเราอยู่ในกระเปร์นี่หลังของเราเนี่ยถึงสากสิบกระเปร์ก็ยังสู้ทองถาดนี้ไม่ได้ฮแต่เราจะเปลี่ยนอถ้าจะเปลี่ยนใหม่เร็วเกินไปก็เสียชั้นเชิงพ่อคา้า ง, งั้นได้ touches, แล้วก็เดินไปอพอเดินไปนเจนี่ก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันกลัวพ่อค้าที่มันอยู่ข้างล่างมันจะมันจะขึ้นมาข้างบนแต่นี่ก็มากับมันก็จริงๆอย่างน้นนั้นด้วยจริงพ่อค้าข้างล่างนี่ก็ขายของไม่ได้ขายขายขายมันก็เลย เดินขึ้นมาแบบริ้วๆขึ้นมาเลยมามาเห็นยายนะี่อีกยายก็เห็นโอ้ในห้อยเนี่ยด่ฉันมีถาดชิ้นใบหนึ่งขอจะเปลี่ยนเถอะดู่ิกับพูดอย่างที่พวกพ่อค้าคนก่อนนะ่ะพ่อค้าพระพุทธเจ้าเนะี่ยมองจับรู้ตึกโอ้ใช่ทองคำแล้วก็เห็นนะ่ไอ้เพื่อนที่ขีดเอาเอาเข็มขีดนะ่ยยังเป็นทองยังเหลืองอาลามโยงัน่น ก็มั่นใจแล้วนี่เป็นทองคำารับเขเลยบอกว่ายายจะให้จะเปลี่ยงงนอะย่างง่ายะนี่เลยลูกหลานของในชั้นฉันของฉัน่ประมาณเกือบเป็นสิบเนี่ยขอให้คนละเส้นละเส้นก่อนแล้วกันเรี๋วยวให้เขาเลือกเอาแล้วขันขันก็จะให้ทองอันนี้ไปแต่พ่อค้าทองพ่อพุทธเจ้านี่บอกว่าโอ้ยายอันนี้ราคาแพงมากนะเอาเถอะผมให้ทั้งกระเปะเลย มันอยู่ของมีที่นี่ทั้งกระเป๋าให้ทั้งหมดเลยแต่ผมขอถาดไปนี่นะเอาเอาเลยนายฮ้อยอพอใจอย่างนั้นแถอะนายพอของนาย้อยก็จบทองคำให้ทั้งกระเป๋าเลยเอพอนี่ก็เสร็จแล้วโอว้ไอ้นั้นมันต้องย้อนมาแน่ๆอันนี้มันคล้ายๆว่ามันส้นเงื่อนอพ่อค้าเสียกลัวจะเสียเชิงเฉยๆในใจของมันมันต้องมาเอาแน่ เอาเถอะพ่อค้านี่มันมีขี้โมโหอีกต่าหากแตถ้ามันขึ้นมาถ้าเราเอากรนเนี่ยก็คงจะถูกฆ่ากันแน่ละค่าวเนี่ยไอพ่อค้าพระพทุทธเจ้าเนี่กยอ่านใจพ่อค้าเพื่อนอีกออกอีกเหมือนกันพราะได้ก็เน็บถาดทองคําใส่ตะและแเลยก็เดินอ้าวมาฝั่งโขงแล้วกันแต่พอมาเห็นฝั่งโขงเห็นเรือเขาอยู่ในจอดไปเรือเร็วเรือกันนห่ก็ได้พ่อค้านี่ก็อ้าวเลยเน่ยพายเร็วนั่นแะ ผายข้ามโขงโขงคงจะไม่ทงแคบไม่กว้างเท่าไหร่มั้งแต่ไ้พ่อค้าเนี่ยเขาลงเข้าไปสักหน่อยก็ขายของอะไรตั้งเค็ดถึงทองอยู่พอค้าโกงเนี่ยเทวทัตเนี่ยรียบขึ้นมาขึ้นมาหายายไปไงถาดไปนั้นยังโอยพอค้าเอาไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเฮ้อเอาไปแล้วยังไปที่ไหนเนี่ยนะเพิ่งไปเน่ยพอว่าเทนะ่านั้นก็วิ่งเลยเหมือนกันเนี่ ย, ยวิ่งเข้าไปพอที่ไหนได้พอค้าที่นั่งเรือเนี่ยกัน พอดีมันขึ้นจะฝั่งโคงพอดีเอออยู่ขึ้นฝั่งโคงกับพอมองเห็นกันอยู่โอ้ทาไมแกนักหลังเราถึงขนาดนี่วักเออข้าว่าจะมาเอาอยู่กับรู้แก่ใจแล้วมันเป็นทองอถ้าเป็นลักษณะนี้มันหักหลังกันชัดๆเดียวอะเอาถ้าเกิดพบใดชาติได้ขอให้ข้าไปเจ้าผูกอาคาดพยาบาททุกพบทุกชาติเหมืนอนพอว่าขึ้นนั้นท่านนอะ เทวทัตเนี่ยคกำ ก, ก้อนก้อนทรายนะเอามือกวาดทรายมาสองกำ ม, มือพระโพธิสัตว์น่ยืนอยู่ฝั่งนูง้นโอ้ยเพื่อนถ้าเอาทั้งสองกำกระชักจะเกินไปละมั่งเอาสักกำเดียวก็พอแหล่งถ้าเอาทั้งสองกำมกันกระที่เกินไปนผูกอากาศเอากำเดียวก็พอละมั่งเพื่อนเพื่อนนี่กระแสใ จ, จใจดีนะกอเลยกำท ร, รายหนึ่งก็เลยหวานออกไป เอากำถึงกำทางด้านขวาเนะีเอากำก็กำปั้นกระแทกเขาหน้าอกตัวเองใส่ตึบ 2, 3, ต๊บสองสามตื๊บอาเจียนเป็นเลือดอ้วกออกมาเลยงั้นเพราะมันโกรธอย่างมากนะีมันมีความร้อนอย่างมากในจิตใจผลที่สุดคือาเจียนอ้วกออกมาเลยตายไหมตายในะหาดทรายนั่นแหละเออจากนั้นเพื่อนกับท่านก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปเนี่ยถ้าว่าเป็นหลวงพ่อเอ็นนะ ไปทํามาค้าขายด้วยกันอย่างนั้นนะ่ะถ้าได้แผนทองคำอย่างนั้น <m ess im it> เอ้ยเพื่อนถึงยังไงข้าจะแบ่งให้เพื่อนอยู่หรอเอาจะไปโกดคันึงขนาดนั้นเถอะเอาเ อ, า เ, อาเดี๋ยวๆแบ่งกันไงถ้าเป็นหลวงพ่ออินนะเอ่อแต่นี่ถ้าไม่ถ้าเป็นคงจะไม่เป็นนิทานเหมือนกันเ่ะเออขนาดไปด้วยกันได้ของมาแล้วก็น่นาจะแบ่งกันใช่ไหมล่ะเออถ้าเป็นหลวงพ่ออินเนี่แบง่งวันะไปเออถ้าจะแบ่งขึ้นก็แบ่งเออพอทําแบ่งก็ต้องเอาของนํามาแบ่งด้วยกันด้วย เพราะอาอาชีพเดียวกันไปด้วยกันถ้าทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันอันนี้สมัยนั้นก็คงจะคงจะมีเล่ยเดียมนั่นแหละคงจะไม่ซื่อตรงต่อกันอเทวทัศกับโมโหก็เอากําปั้นแทกกระแทกหน้า อ, อกเติบเติบเข้าไปอาเกียนอ้วกมาเป็นเลือดตายใหาดทรายพวกพระพเจ้าก็คงจะหันหลังไปตักใหญเหมือนกันน่ะ เน่ยพอท่านไม่ได้ฆ่าเ่ฆ่าตัวเองกัจุดแท้แตกคงจะว่าอย่างงั้นน่ะนี่แหละนิทานหรือว่าชาดกเรื่องนี้สอนให้เราพบว่าอันนี้มาในพระไตรปิฎกนะอันนี้คือต้นเหตุแห่งพระเทวทัตผูกอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเป็นปฐมฤกษ์เนี่เพราะว่าพระสงฆ์ได้ถามว่าพระเทวทัตเนี่ยผูกเพาผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่สมัยไหนพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าสมัยเป็นพ่อค้าทอง สมัยนั้นเราเป็นพ่อค้าทอง เ, ออเทวทัตก็เป็นพ่อค้าทองเหมือนกันนี่แหละคนอาชีพเดียวกันโดยมากจะอิจฉากันนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเกิดเบื้องตน้นเพราะเหตุนั้นข อ, พ ว, อ, อพวกเราทุกทุกท่านศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนถึงจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก่อนนั่นแหละให้อภัยกันไว้ดีที่สุดอย่าผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเวรจะระงับได้ด้วยการ ไม่จองเวรเวรจะระงับไม่ได้ด้วยการจองเวรถ้าว่ามีการจองเวรเวรจะไม่ระงับถ้าหากว่าพวกเราให้อภัยเวรจะระงับลงเพราะเหตุไรเพราะถึงเขาจะตกมือมาก็เถอะเพราะพระตเจ้าไม่ตบลับหลบลูกเดียวพระเทวทัตตบอะไรก็หลบลูกเดียวเกิดมาพบใรชาติใดโดยมากพระเทวทัตเมติ ผูพยาบาทอาฆาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีแต่ให้อภัยอย่างเดียวผลที่สุดเนะ่ยมาชาติสุดท้ายเนะี่ยที่ทําแยกจ้างนายขามังธนุไปฆ่าขึ้นบนภูเขากิ่งภูหินกี่หินลงมาให้ฆ่านางกินเจ้ามณวิการอิจฉาผลที่สุดยุโยงสงให้แตกกันเนี่ยการยุโยงสงให้แตกกันนี่แหละ เอาส ง, างออกจากพระพุทธเจ้าไปเนี่ยอต่อเ น, นี้ไปเราจะไม่ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่กราบไหว้พระพุทธเจ้าอีกต่อไปข้าพเจ้าจะเป็นอิสระเทวทัศประกาศพระพุทธเจ้าเออเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทวทัศจะไม่เห็นหน้าเราตถาคตนะนี่แหละอาจากนั้นก็เทวทัศก็แยกส ง, งออกไปเพราะแยกส ง, งไปพระพุทธองค์ก็บอกว่า โ, โมคขลาสาลิบุตร ไปแนะนําสงฆ์ที่บวชใหม่สิยังไม่รู้จักทำวินัไอให้ไปแนะแนําซะแล้วเอาเอาสงฆ์กลับมาไปพระโมกขาราท่านก็มีฤทธิ์ใช่ไหมละ่ะอท่านก็ไปก็ไป เ, เห็นพระเทวทัตเห็นพระโมกขาราสาลิบุตรก็ดีใจว่าเป็นสาวกของตนเองที่ไหนได้พระโมกขาราใช้ฤทธิ์ที้งไปแนะนําสั่งสอนพระเทวทัตก็ไปนอนฮรพอไปนอนกันพระโมคขารากัน บันดาลโดยฤทธิ์เทวทัตนอนไม่รู้จักตื่นเฮงจากนั้น พ, พระโมคขลากาสาลิบุตรปรเทศอบรมพระใหม่พระใหม่ก็เข้าใจในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระโมคขลาการาลีบุตรก็เลยเอาพระใหม่ทั้งหมดกลับมากลาวพระพุทธเจ้าพรอเทวทัตงวงเงียเกิดตื่นขึ้นมาพระสงฆ์ลูกศิษย์ที่ห้าร้อยเป็นพระใหม่หนีหมดถึงเนีโผนิสุเสียใจอย่างมาก ลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนของเทวทัศน์่ยคือโกกาลิกาพิกคูโมโหให้อาจารย์อีกทําไมอริศตูมาหาแท้ๆยังไปหานอนหลับก็เลยกอดคอพระเทวทัศน์เอาเข่ากระทุ้มเข้าไปหน้าอกพระเทวทัศน์ลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนนั่นแหละพระเทวทัศน์อาเจียนเป็นเลือดอีกเหมือนกันเอแต่ถึงยังไงป่วยเลยทีนี้ขอไปกราบพระพุทธเจ้า ขอไปกราบพระพุทธเจ้าโดยเถินพวกพระทั้งหลายไปกราบได้ยังไงจะฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ครั้งพระเทวทัตบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าคิดอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าใจของท่านเป็นธรรมเหมือนกับแผ่นดินถึงจะถุยน้ําดินถึงจะไปกราบแผ่นดินแผ่นดินก็อย่างเก่าอันนี้พระพุทธเจ้าพระลาหุนก็ดีพระบรมวงศสานุวงศ์ก็ดี จะใครก็ตามที่จะเป็นผู้อิจฉาพยาบาทพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหว ใ, หใครเป็นมิตรเป็นสหายกับทุกคนไม่มีคาว่าดีใจหรือเสียใจกับคนแต่ละคนเพราะนั้นพาเราไปเถอะพาเราไปกราบพระพุทธเจ้าโดยเทิดพระสงฆ์ทลายกอดลนทนไม่ไหวก็ได้หามเทวทัตจากเมืองจากเมืองกรุงราชคือ มากราบพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตวันมหาวิหารพอมาหา ม, มาเรื่อยๆเขาก็แจ้งข่าวพระอนุนกกระลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าเทวทัตมาถึงนู่นแล้วสมมติว่าเทวทัตยอยู่เมืองมุกดาหารเนี่ยอพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดป่าฟีเวกของเราบ้านหวยทรายของเราพระพุทธเทวทัตมาพ้นมุกดาหารแล้วพ ร, พระพุทธองค์บอกว่า ถึงมาก็ไม่เห็นหน้าตาคอมาถึงบ้านห้วยพึ่งแล้วถึงจะมาก็ไม่เห็นหน้าตาคตมาถึงบ้านน้เที่งแล้วถึงมาก็ไม่เห็นหน้าตาคตมาถึงบ้านห้วยทรายแล้วถึงจะมาก็ไม่เห็นหน้าตาคตแต่นี่ก็พวกบริวารทั้งหลายก็พอมาถึงบ้านห้วยทรายมีน้ำใช่ไหมโอ้ไม่ไหวก่อนที่จะไปการาบพระพุทธเจ้าก็ควรเราควรจะ ชําระกายซะก่อนพอหามพระเทวทัตมาเหนื่อยจากนั้นก็เลยวางเตียงพระเทวทัตอยู่หน้าวัดป่าเชตตะวันอพวกนันก้ลงไปอาบน้ําชําระกายพระเทวทัตก็เลยนั่งงัวงเงียขึ้นม า, าแล้วก็จะคล้ า, า ย, า ย, า ย, า ย, ายออกลุกมานั่งใกล้วัดป่าเชตตะวันแล้วอะไรย่ยอนขาลงไปข้างเตียงข้างตะแคงพอข้างตะแคร่แผ่นดีมันแยกเลยจะไหน พอแยกจำกระ ด, ดูดเทวทัตอ่าพอดูเทวทัศน์ถึงหัวเขาถึงเอวเออถึงลักแรถึงคอพอถึงคอเท่านั้นแหะโอ้ยข้าพเจ้าได้ประม า, าทพลาดฟังพระพุทธเจา้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความโง่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีอันไหนที่จะกลับคารวะขอโทษพระพุทธเจา้าข้าพเจ้าขอเอาเอาขากรรไกรคือคางของข้าพเจ้า บูชาพระพุทธเจ้าขอโทษจากพระพุทธเจ้าด้วยเถิยจะให้ข้าพเจ้าได้เป็นบาปเป็นกรรมมากพอพูดท่านนั่นแหละแผ่นดินก็แยกลงไปเทวทั์ก็เป้ลงไปสู่พระเวจีมหานรก เ, เดี๋ยวนี้ยังไม่ขึ้นอยู่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าที่เราตถาคตเอาพระเทวทัตมาบวชเนี่ยเราได้มองเห็นแล้วเนี่ยเทวทัตโค้งสุดท้ายของเทวทัตนะจะเห็นโทษ แต่ถ้าหากว่าเทวทัตไม่ได้มาบวชเทวทัตจะไม่เห็นโทษในการที่ความดีความชั่วแต่ที่เทวทัตได้บวชมาแล้วเห็นความดีเห็นความชั่วว่าตัวเองในผิดเนี่ยที่โค้งสุดท้ายที่ว่าได้เอาขากันไกลคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อเราเห็นจุดนี้แหละเราจึงให้เขาบวชนี่แหละอันนี้ก็คือ สุดท้ายเริ่มต้นและสุดท้ายพูดให้คณะสัายาญาติโยมได้ฟังได้ศึกษาทางว่าพวกเราจะศึกษาต่อไปอ่านดูในพระไตรปิฎกนัานลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมพระเนนทั้งหลายนะอันนี้หลวงพ่อเพียงแต่นำชาดกที่ทานความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความอิจฉาของเทวทัตกับพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา เอาตอนนี้ไปผสง์จาหนุมนาให้พร น, นะทีเนาะ